ต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำมรวมใจของตนให้แน่วแน่การฟังธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกกายฝึกใจกายก็นั่งให้นิ่งๆใจก็พยายามมีสติควบคุมให้นิ่งอยู่ภายใน นั่นแหละมันเป็นการฝึกตนไปพร้อมกันเลยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็หมายเอาการปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจให้สงบระ ง, งับจากกิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วต่งตางๆเมื่อกิเลสบาปธรรมมันระ ง, งับไปบุญกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นแทนอืม มันเป็นอย่างนั้นคือเมื่อกิเลสปัปธรรมมันระ ง, งับไปจากกิจใจใจสงบใจรวมลงเป็นหนึ่งนั่นแหละชื่อว่ากุศลธรรมมันเกิดขึ้นในใจใจจึงค่อยสงบระ ง, งับลงไปอืมดังนั้นนะ่ะทุกคนต้องชอบบุญกุศลเพราะบุญกุศลเป็นชื่อของความสุข ผู้ใดมีบุญผู้นั้นชื่อว่ามีความสุขผู้ใดมีบาปผู้นั้นชื่อว่ามีความทุกข์มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้ <c oughs> ดังพระพุทธภาษิต ท, ที่ทรงตรัสไว้ว่าสุขโขปุญญัสัตะอุทจยโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้ทุกโหปาปสัตว์อุทจยโย การสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้เราถือเอาพุทธภาสิตนี่เนี่ยเป็นสักขีพยานยืนยันว่าการทำบาปนี่มันจะนำมาซึ่งความสุขไม่มีมีแต่นำทุกข์มาให้โดยส่วนเดียวการทำบุญกุศลนี่มันจะนำทุกข์มาให้ก็ไม่มี มีแต่นำสุกมาให้โดยส่วนเดียวเขาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วจึงได้ทรงแสดงเป็นพุทธภาษิตไว้ให้พุทธบริษัททางหลายได้น้องเข้าไปคิดไปกลองให้รู้ให้เข้าใจวิธีการสั่งสมบุญกุศลบางคนก็ไม่เชื่อไอผู้ไม่เชื่อก็แล้วไป อไม่มีใครว่าอะไรถ้าผู้เชื่อคําสอนของพระเจ้าอย่างนี้มันก็สมควรที่จะรู้จะเข้าใจวิธีสั่งสมบุญกุศลอืมถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจการสั่งสมบุญกุศลมันก็ไม่จเจริญรุ่งเ ร, องเรืองได้อืมเริ่มแต่การให้ทานนี่นะไปนะ อาให้ทานนี่ที่จะมีผลมากต้องประกอบไปด้วยองค์สามหนึ่งผู้ให้ทานนั้นก็ต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มาก่อนไม่ใช่มาสมทบทานศีลเอาเมื่อเวลาจะถวายทานเท่านั้นอันนั้นไม่ได้หมายเอาในเรื่องนี้หมายเอาว่าเป็นผู้มีศีลมาจตกก่อนนู่นสองทายทานที่แสวงหา มาถวายทานนั้นก็เป็นทายทานอันบริสุทธิ์ไม่หลอกไม่ลวงไม่ชอไม่โกงเอาสมบัติผู้ใดมาให้ทานและไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำอาหารมาเลี้ยงพระหรือว่าหาเอาของที่ไม่มีโทษนั่นมาทำอาหารถวายทานอย่างนี้ สามผู้รับทานก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรมมันสูงทรงอันนี้ชาพุทธเ้าก็นิยมนับถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะทำบุญกุศลขึ้นมาก็จงนึกถึงพระสงฆ์ก็พระในวัดมีกี่องค์อย่างนี้ แต่ถ้าหากว่าการทำบุญกุศลที่จะได้ผลมากนั่นก็ต้องรู้จักเลือกอย่างนี้แหละเว้นเสียจตเลือกไม่มีที่จะเลือกแล้วก็ทำไปเรายกทัยทานจบศีรษะแล้วก็อธิษฐานอุทิศบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นั้น โดยมี ส, สมมุติีสงเป็นผู้รับแทนถ้าหากว่าเราอธิษฐานใจอย่างนี้มันก็มีผลมากเนี่ยเพราะเราบุทิตบูชาพระคุณของพระเจ้าผู้ประเสริฐในโลกเราไม่ได้บูชาท่านผู้อื่นเลยบูชาพระโลกุตระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์สาวก นับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอระหันต์นี่เราทำในใจทำความเลื่อมใสในพระคุณทั้งสามนี่อย่างแรงกล้าแล้วก็ถวายทานแด่สมมุตติสงฆ์ไปอย่างนี้ก็ยังรับว่ามีผลมากอยู่แต่ถ้าหากว่ามีพระสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมอันสูงทรง มีศีลนนะ่าเคารพรักใคร่บูชาอย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเราได้ทำบุญประกอบไปด้วยองค์สามเช่นนี้ท่านว่ามีผลมากนี่นะทำไมพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงองค์ค้าคุณไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าผู้รับทานคือพระสงค์สามพของพระเจ้านี่นะ เป็นคนทุศิลก็มีเป็นคนมีศิลก็มีอย่างนี้นะเป็นท่านผู้มีศิลอย่างยิ่งมีสมาธิยิ่งก็มี น, นี่มีปัญญายิ่งก็มีมันมีพระสงฆ์หลายประเภทอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้พระสงฆ์ทุศิล น, นี่หมายถึงพระสงฆ์ปุถุชน ไม่เคารพต่อธรรมวินัยบวชเข้ามาแล้วก็ล่วงทรรมล่วงวินัยสวะแสวงหาตั้งแต่ลาบแต่ยศไม่สแสวงหาศีลธรรมอันดีงามไอ้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระทุศิลผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเห็นแล้วก็ไม่สมควรที่จะบริจาคทาน ในพระสงฆ์เช่นนั้นอันนี้แหละการทำบุญกุศลบางคนทำมีผลน้อยบางคนทำมีผลมากนี่มันต่างกันอย่างนี้เรื่องมัน่ะมันต่างกันด้วยองค์ค่ะคุณบางคนไอ้เจ้าของทานก็เป็นผู้ไม่มีสินซะอย่างนี้เอ้าของทานเปดบริสุทธิ์ อย่างนี้ก็มีแล้วผู้รับทานก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่มันขาดผู้ให้ทานนันเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมอย่างนี้มันก็ไม่สมบูรณ์่ะเรียกว่าใดอริสง์ไม่มากเป็นอย่างงั้นบางทีผู้รับทานไม่มีศีลไม่มีธรรมอันบริสุทธิ์ผู้ให้ทานมีศีลบริสุทธิ์ มีรมบันดีงามทายาทานก็หามาได้โดยทางบริสุทธิ์ไอเ้นนี้มันก็ได้ผลไม่เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยเพราะมันมันบกพ้องผู้รับทานผู้รับทานไม่มีคุณสมบัติอันสูงรงอันดีงามอันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชน ผู้ยินดีในการบริจาคทานในพุทธศาสนานี่ก็ให้พากันบำเพ็ญประกอบไปได้วยองค์สามดังกล่าวมานี้มันถึงมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างนี้วันนี้นั่นแหละถ้าพูดถึงความมุ่งหวังในพุทธศาสนานี่นะ เมื่อมีทานแล้วต้องมีศีลประกอบด้วยนี่ก็จึงเป็นบุญกุศลอันบริสุทธิ์พุทธพงศ์ในมัวหมองอยู่ด้วยบาปอากุศลถ้าบุคคลให้ทานไปเฉยๆแล้วศีลไม่เจตนารักษาเลยไอ้อย่างนี้น้วก็ทำบาปทํากรรมเข้าไปแล้วบาปมันก็ไปแย่งบุญกุศลอ่า ไปทำลายบุญกุศลนั้นให้เสือมไปมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างคนปลูกพืชลงในดินแล้ววันนี้ก็ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นท่วมอย่างนี้นะพืชนั่นก็ย่อมสูบซีดไปไม่งามไม่ผลิดอกออกผลขึ้นได้แหละอันอุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้ทำบุญกุศลแล้วก็ไปทำบาป แทรกเข้ามาอย่างนี้นะบุญกุศลกะเศ้ามองไปสูกทีดไปเหมือนอย่างพืชที่ปลูกลงในดินแล้วมีหญ้าหุ้มนั่นแหละเป็นเช่นนั้นการไม่ภาวนาไม่ชำละกิเลสออกจากคิตใจก็อุปมาเหมือนบุคคลไม่ดูแลพืชต่างๆที่ปลูกลงในดินแล้ว ไม่ได้ย่าไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำเมื่อต้นไม้นะั้นมันไม่ได้ดูดน้ำไม่ได้ดูดอาหารคือปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงลำต้นมันมันก็ไม่งอกงามขึ้นได้เท่าที่ควรเลย อ, อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้ที่เกียดคร้านในการไหวพระนั่งสมาธิภาวนา เช่นนี้มันก็ทำให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนะะั่นครอบงามจิตใจทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวบุญกุศลก็ลกจเจริญ ง, งอกงามไปไม่ได้เดี๋ย ว, ว่าเป็นใจแห้งใจเหี่ยวใจถูกกิเลสครอบงามเอานะไม่ชุ่มชื่นเบิกบานอะไรเลย การที่บุคคลมาระกิเลสบาปรธรรมออกจากหัวใจไปพร้อมกันกับการปฏิบัติธรรมอันนี้แหละจึงสามารถที่จะทำใจให้เบิกบานผ่องใสได้ดังนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้สามประการคือเป็นหมวดสาม หมวดสามนี่หมายความว่าทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นปฏิบัติให้ครบทั้งสามนี้มันจึงมีผลมากมีในสง์มากแล้วจึงกาจัดกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้ผู้มีศีลก็ย่อมกาจัดความโกรธความพยาบาทความเบียดเบียนทนั้งหลายออกไปจากจิตใจได้ เพราะว่าผู้มีศีลจะไปโกรธโยไม่ละความโกรธออกไปอย่างนี้แล้วมันจะทนไหวหรือมันก็ไปฆ่าไปตีผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นเมื่อมันโกรธมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลี้งมัน่ะดังนั้นต้องเคารพในศีลเป็นอย่างยิ่งทีเดียวอ่เผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่แนหะ่ะ สิล น, นี่แหละสำคัญมากทีเดียวเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใสมันก็เป็นฐานที่รองรับเอาบุญเอากุศลเอาคุณพระรัตน์ไกลไว้ไดอ้อย่างนี้นะเหมือนอย่างว่าบุคคลจะปลูกบ้านปลูกเรือนอย่างนี้มันก็ต้องปรับดินให้ราบเรียบเชี่ยกรอย่างนี้ แล้วก็จึงทำหลุมลงไปเอาเสาปักลงไปอย่างนี้นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้ที่จะทำบุญกุศลคุณพระรันาตนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนได้ก็ตนก็ต้องเป็นผู้ชำละใจในี้ด้วยศีลทำศีลในบริสุทธิ์ไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจ นี่เมื่อชำาลาใจให้บริสุทธิ์พ่องใสไปแล้วนะบุญกุศลมันเกิดขึ้นเองแหละไม่ไม่ต้องอธิษฐานให้เกิดหรอกมันเกิดขึ้นเองอย่างว่าผู้ที่เว้นจากการเบียดเบียนได้อย่างนี้นะมันก็ย่อมมีเมตตากรุณาอินดูสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ไม่ปารถนาที่จะให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยนี่ไอความเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนอันนี้แหละเรียกว่าเป็นจิตเป็นกุศลกุศลเกิดขึ้นในจิตให้เข้าใจถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่เคารพในศีลไม่มีเมตตาทำกรุณลธรรมอย่างนี้นะ่ะ ใจมันสะสมความโกรธความวบาทไว้นี่ใจมันก็เป็นใจดําเอแล้วก็ใจร้อนอย่างนี้แล้วย่อมไม่สมควรจะเป็นภาชนะรองรับเอาบุญเอากุศลเอาคุณพระตระนกายไว้ได้จิตใจที่มัวหมองคุณมัวอย่างนั้นนะให้เข้าใจทีนี้การภาวนานะ่ะจึงชื่อว่าเป็นการ ชำละจิตใจที่เศร้าหมองขุนมัวให้พองใสแบบ น, นี้นะนั่นแหละเพราะว่าใจนี่มันยึดมั่นเอากิเลสไว้ไม่ใช่กิเลสมันมาหุ้มห่อเอาโดยลําพังจิตใจยึดเอาไว้แล้วมันจึงหุ้มหอ่อจิตใจให้มัวหมองอุปมาเหมือนอย่างสีเหลืองสีขาวสีดําสีแดงต่างๆ่างแนี้นะ สีมันก็เป็นสีอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เอามาทาร่างกายอันนี้มันก็ไม่ติดร่างกายเลยมันก็เป็นสีอยู่นั่นตามเรื่องมันมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเอามาทาผ้านุ่งผ้าห่มเข้าไปสมมุติว่าสีดำอย่างนี้เนี่ยมันก็ดำอยู่นั่นแหละมันก็ทำผ้าขาวให้ดำไป อ, อย่างนี้นะ ถ้าเราไม่เอามาทาแล้วมันก็ไม่ดมาาําอะผ้าฉันใดกิเลสบาปธรรมทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าหาว่าใจไม่ยึดถือเอามันไว้อย่างนี้นะมันจะมาเบียดเบียนจิตให้เป็นทุกเดือดร้อนให้เศร้าหมองขุ่นมัวไม่ได้เลยอ่าให้เข้าใจดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทําใจให้สงบระ ง, งับลงไปนี่นะ จึงคือว่าเป็นการฝึกใจไม่ให้ยึดมั่นในกิเลสนั้นในบาปประธรรมต่างๆกาหนดใจละอารมณ์อันเป็นบาปอากุศลเป็นกิเลสต่างๆนั้นให้มันระ ง, งับดับไปเรื่อยๆไปเมื่อกิเลสมันระ ง, งับดับไปลงไปแล้วจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้น ะ, ะให้พากันเข้าใจ บางคนก็ไม่รู้ว่ า, าละกิเลสไปละอย่างไรนี้ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าแต่มันขยันนั่งสมาธิภาวนาเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปอย่าไปเพ่งไปอย่างอื่นเพราะว่าจิตนั่นมัน อาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เป็นโยถ้าลมหายใจเข้าออกนี่ดับไปแล้วจิตก็ตั้งอยู่ในกายนี่ไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นผู้ใดยอยากรู้จักจิตแล้วให้ตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปหายใจเข้าก็สติย่างลงไปรู้ว่าจิตคือความรู้อยู่ตรงนี้อย่างนี้นะ หายใจออกมาก็กำหนดรู้ว่าความรู้อยู่ตรงนี้เพราะว่าหายใจเข้าหายใจออกมก็รู้อยู่ทุกขณะลมหายใจอยู่นี่ทำไมจะไม่รู้จักจิตล่ะนนจิตนั่นก็คือความรู้สึกอ น, นั้นแหละไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นใด น, นะไม่มีสีสันวันลนะรูปวัฏพันธ์สันฐานอะไรไม่มีเลยจิตนี่นะเป็นธรรมชาติ รู้หรือว่าเป็นาธาตุรู้เท่านั้นเองนะความคิดทั้งหลายก็ออกมาจากความรู้อันนั้นมเมื่อ เ, าเอาเอาสติอย่างเข้าไปควบคุมความรู้อันนั้นไม่ให้คิดางนี้มันก็หยุดคิดเลยความรู้คือจิตนะนะมันก็หยุดคิดและทันทีแหละการที่มันคิดโน้นคิดนี่มาหยุดไม่ยั่นยงนั้น เพราะว่าสติไม่ยัางเข้าไปควบคุมความรู้สึกอ น, นั้นไอ้สายเหตุที่จิตมันจะคิดไปไม่หยุดไม่ยั่งนะนะให้เข้าใจดังนั้นการภาวนาจึงใ ห, ให้สำคัญเรื่องสติให้มากอ๋อสติแปลว่าความระลึกได้เราไม่ระลึกไปทางอื่น嘛นี่นะ ะระลึกเข้าไปหากายหาจิตนั่นในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วการเจริญสติปัฏฐานนี่แหละนับว่าเหมาะสมโยกับคนที่มีวาตนาบรมีไม่แก่กล้าเหมือนครั้งพุทธเจ้าเพราะว่าเพ่งเข้าไป สติกำหนดรู้กายนี่ว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะเนี่ยใครก็ย่อมรู้ได้นะถ้าทำถ้าทำความเพียรเพ่งวินิจเข้าไปนะแต่ถ้าไม่ทำความเพียรเพ่งวินิจ ก, ก็ไม่รู้แหละอืมก็รู้ว่าแต่กายเราอยู่อย่างนั้นแหละนี่ดังนั้นเมื่อเพ่งเห็นกายทั้งมวลเหล่านี้นะไม่ใช่ตัวตนเราเขา อย่านี้แล้วเราก็เพ่งเข้าไปหาจิตระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นอืมเมื่อสติยังเข้าไปหาความรู้นั้นควบคุมความรู้สึกคือดวงจิตนั้นได้แล้ว mm. ก็ถามตัวเองนะว่าร่างกายนี้เป็นของเราจริงเหรือหรือไม่ใช่อย่างนี้นะจิตจะตอบว่าอย่างไรอืม แน่นอนแนละ้วเมื่อมันได้พิจารณาแล้วมันก็ตอบตัวเองว่าไม่ใช่ของเราเลยเมื่อไม่ใช่ของเราทําไมยังมาอาศัยอยู่กับมันที่มาอาศัยก็เพราะเหตุว่ามันยังไม่รู้เลยแต่ก่อนมาแต่ชาติก่อนโนนหลังนน่นแหละแต่ท่องเที่ยว ม, มาในสงสารมันยังสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนั้นแหละ ดังนั้นมันจึงสร้างกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดขึ้นใน จ, ใจิตใจกิเลสตันหานั่นแหละพาดวงจิตนี่ให้ไปก่อคบเก่อชาติเกิดเป็นรูปเป็นนามเป็นขันหานนี้ขึ้นมานี่ใเหตุที่ดวงจิตนี่จะต้องมาอาศัยในร่างกายนี่ก็เพราะความไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างว่านั่นแหละ มันจึงได้ใช้กายวาจาใจอันนี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จะทำชั่วตลอดเวลาไม่ใช่หรอกเอาดีก็ทำเช่นอย่างว่ า, เ, าเมื่อมีใครคิดการทำบุญทำดานขึ้นมาเอาเพื่อนประกาศชักชวนก็เอาไปทำบุญกับเพื่อนอย่างงี้นะ บางทีตัวเองก็คิดทำกันด้วยตนเองอนี่เรีว่าจิตนี่มันมันมีกิเลสทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นคู่ขนานกันอยู่นี่นะนบางคราวัอจิตคิดเป็นอกุศลขึ้นมาเช่น อ, อย่างว่ามีใครมาแสดงกิริยาไม่ดีไม่งามต่อ ตามนิติเตียนดูดาว่าร้ายต่างๆอย่างนี้มันก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างนี้แหละโกรธขึ้นมาก็เป็นเหตุให้โต้วาทีกันทะเลวิวาทกันเมื่อทะเลวาจานี่ยุติลงไม่ได้ก็เอาอะไรวะนี่ทะเลกันทางกายเนะี่ยทุบกันตีกันทำลายล้างผ่านชีวิตของกันและกันไป ไอ้มันก็เป็นกคำเป็นเวรนะวันนี้นะนั่นแหละไอ้ส่วนบุญที่ทํามันก็เป็นบุญอยู่ส่วนหนึ่งอย่างนี้นะไอ้ส่วนบาปมันก็เป็นบาปอยู่วันนี้เมื่อเวลาชวนจะตายส่วนใดมีกําลังมากมันก็เช่นอย่างว่าบาปมีกําลังมากกว่าบุญอย่างนี้บาปมันก็ฉุดข้าเอาดวงเิีนนี่ไปสุนรนกอบา ย, ยภูมิบาปมันไปนตกแต่งรูปร่างของสัตว์นก ให้ดวงจิตนี่ได้อาศัยนั่นแหละธรรมดารูปร่างของสัตว์นรกนี่เข้าใจว่าคงจะเป็นรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวแหละไม่ใช่สวยงามอะไรเลยแหละเด็กก็ไปจมอยู่ในน้ำร้อนเดือดพล่านอยู่นันน้ำร้อนลวกไฟเผาเป็นจุนลวิจุนไปแล้วบาปกรรมยังไม่สิ้นมาเกิดขึ้นมาอีก เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วน้ำร้อนบรรลกุกไฟเผาเข้าไปก็ละลายหายสูญไปแล้วบาปกรรมยังไม่หมดก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้แหละที่พูดตามตำราออไม่ใช่ทำไม่ใช่ใครทำไม่ใครนะบาปกรรมที่ตนทำนั่นแหละมันบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นอันเป็นอย่างนั้น วันนี้ถ้าหากว่าบุญนํามีกำลังมากกว่าบาปอย่างนี้เวลาชวนจะตายบุญนั้นมันก็เป็นพาหานะรองรับอารวงกิจไปเกิดที่สุขที่สบายอย่างนี้แหละเรียกว่าบุญกุศล น, นี่เป็นชื่อของความสุขกว่ า, วาได้มันเป็นอย่างนั้นแน่นอนแหละ เมื่อบุคคลใดเวลาชวนจะตายอย่างนี้นะเอา้ามีสติเข้มแข็งแก่กล้าระลึกถึงบุญถึงคุณได้มากอา่าอย่างนี้มีจิตชื่นชมยินดีเชื่อมั่นในบุญคุณนี่แหละจกนําเราให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้อธิษฐานใจมั่นต่อบุญตอกคนอย่างนี้แล้วก็มีสติควบคุมจิตมาให้คิดฟุ้งไปทางอื่นเลย ให้กําหนดรู้อยู่ตั้งแต่จิตดวงเดียวท่านี้เพราะบุญทั้งหลายคุณทั้งหลายย่อมรวมอยู่ที่ความรู้นี่หมดแล้วไม่ใช่มันไปที่อื่นนะมันอยู่ที่ความรู้อันเดียวนี่หมดแล้วพรเราเชื่อเราน้อมเข้ามาอย่างนี้แหละเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาได้ เวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันธาตุสี่ขันห้า 4, 5, มันแปลปวนวันไวเต็มที่เลยแหละก่อนที่มันจะแตกดับลงนี่จิตที่มีบุญคุณเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่วันไหวแล้วมันอดได้ทนได้ทั้งที่ได้พิจารณามาก่อนแล้วว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงไม่อย่างยืน มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงแปรปวนไปมามันถึงแตกถึงดับถ้ามันเที่ยงมันก็จะไม่แปรปวนไม่แตกไม่ดับเพราะร่างกายไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันถึงบังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้มันก็เป็นของเราสิใครจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายไม่มีเลยอันนี้เมื่อใจตั้งมั่นโดยบุญโดยคุณแล้วมันก็มีปัญญาสอนตัวเองได้ในขนาดนั้นน่ะ เมื่อจิตถูกปัญญาท่มสอนเข้าไปอย่างนั้นมันก็รู้รู้ตัวได้รับรับรู้ความจริงของจากปัญญาที่สอนนั้นมันก็ปรงวางขันหนีได้ลงไม่เสียใจไม่ดีใจกับมันก็มันไม่ใช่ของเราเลยจะไปห่วงมันอยู่ทำไมอย่างนี้นะนี่ก็ปรงลงได้แต่ปรงลงอย่างไรไอความทุกข์นั้นมันก็มีอยู่นั่นแหละ ต้องอดกั้นทนทานต่อความทุกข์อัยความรู้เท่าทุกข์หมายความหมายเอาความอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไม่แสดงอาการทุรนทุรายในส่วนจิตใจนี่นะ่ะส่วนร่างกายนะั้นมันห้ามมันไม่ได้มันก็อาจทุรนทุรายไปตามเรื่องมันแต่ว่าจิตนี่มีสติมีปัญญาสอนอยู่ห้ามอยู่ มีขันติความอดทนอยู่ในใจแล้วก็มันก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนามีสติรู้จิตตัวเองว่าตั้งมัน่นตะบุญคุณอยู่อย่างนี้นะจนหมดลมหายใจเข้าออกไอ้นี่บุญกุศลเหล่านี้ก็เกิดเป็นญาณภาณะรองรับรวงขีดไปเกิดที่สุขที่สบายได้บาปกรรมที่บุคคลทำนั่น ไม่ใช่ว่ามันจะระ ง, งับไปนะมันไม่ระ ง, งับแหละเพราะว่าผู้ผู้ผู้นั้นไม่คิดละมันมาแต่ก่อนอยึดเือเอามันไว้แต่มันมีกำลังน้อยกว่าบุญมันจึงให้ผลทันทียังไม่ได้แต่มันก็ติดสอยห้อยตามจิตไปอยู่อย่างนั้นแหละจิตจะไปเกิดที่ไห น, นบาปกรรมมันก็ติดสอยห้อยตามไปอยู่ยนั้นเนี่ยคอยหาโอกาส เมื่อบุญกุศลที่ทำมานั้นมันหมดอายุลงไปเมื่อใดบาปมันก็ให้ผลเมื่อนั้นเน่ยมันเป็นอย่างนี้ร่า ก, กายสังขารชีวิตนี่ก็ถึงความอิบัติวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาได้เสวยทุกขเวทนาเนี่เรื่องของบาปเนะี่ยมันมีแต่อำนวยผลให้เป็นทุกขลูกเดียวอ่ ะ, อะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพิจารณาให้เห็นลักษณะอาการของบุญของบาปอันนี้ให้มันแจีมแจ้งด้วยปัญญาของตัวเองอืมันจึงจะเชื่อเรื่องมนะันน่ะก็กเพ่งพิจารณาให้มันรู้ลักษณะของบาปนะนะคือมันเป็นของร้อนนี่ลักษณะของความทุกข์ ก็คือความทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละจิตวุ่นวายเดือดร้อนวันไว้ไปมานี่นะลักษณะของบาปนะเพราะนั้นผู้ภาวนาลงไปถ้าว่าจิตมันเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆขึ้นมาเนี่ยให้รู้ได้เลยว่านั่นแหละบาปมันแทรกแซงเข้ามาในจิตใจแล้วแล้วจะไปถอย เราเพ่งละมันเลื่อยไปต่อสู้มันเลื่อยไปเมื่อเราเข้มแข็งเมื่อจิตใจเข้มแข็งไม่วันไหวไปตามอารมณ์ของบาปนั่นนั้นแล้ววะนี่บาปนั่นมันก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมแล้วจิตเบื่อหน่ายเห็นทอดของบาปแล้วไม่ยึดถือเอาบาปแล้วมีแต่กาหนดละอย่างเดียวบาปก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปนี่ เพราะฉะนั้นอย่าไปย่อท้อผู้ใดภาวนาลงไปเมื่อจิตใจพุ่งสา่นเลื่อนลอยอย่างนี้แล้วอเออนี่มันบาปมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วอย่างเราจะละมันเราจะไม่ยึดถือเอามันไว้ละแบบ น, นี้น ะ, ะทำความเพียนเพ่งความรู้สึกอันนี้อย่าให้มันกังวลไปในเรื่องบาปเรื่องโทษเรื่องความชั่วต่างๆนานานะไม่ไปเลยเอ้าว มีแต่สติควบคุมความรู้สึกนี้ให้ตั้งลงในปัจจุบันนี้่กําหนดละอารมณ์ต่างๆที่มันปั่นจิตให้เราร้อนนั้นเรากําหนดนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี่ไม่ยึดถือมันแล้วอารมณ์เ้ามันก็ดับไปเองแหละไอ้ที่มันไม่ดับนั้นเพราะเหตุว่าใจมันวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นคนไม่กล้าหานจิตใจไม่กล้า ไม่กล้าพระเชิญกับบาปอากุศลต่างๆอืพอมันกระทบกระทั่งมาเท่านี้นะอ่อนพับไปเลยอย่างนี้นะแล้วมันจะละบาปได้ยังไงอ่ะอเนะยเพราะบาปมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรเช่นเดียวกับบุญนั่นแหละมันเป็นธรรมรมที่เกิดขึ้นในจิตแต่มันมีลักษณะอาการเ ร, าร่าร้อนเอบาปนะให้ดูว่าถ้าจิตเราเ ร, าร่าร้อนละนั่นแหละบาป ต้องพยายามระ ง, งับความร้อนของกิจให้ได้เมื่อความร้อนระ ง, งับลงไปได้เราแสดงว่าบาปมนระ ง, งับลงไปจากกิตใจนี่เราต้องสู้กันอย่างนี้แหละถึงว่านักปฏิบัติทั้งหลายนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่มีบาปนะอันนี้ว่าเรารักษาศีลมาแล้วอย่างนี้บาปไม่มีในตัวของเราอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น อันตั้งแต่บาปที่ได้ลุ่มหลงทรมาแต่ก่อนนู้น่ะตนยังละมันไม่ได้นะอ่ให้เข้าใจมันก็ติดถอยห้อยตามมางั้นเนี่ยดันั้นบุคคลจะละบาปที่ตนลุ่มหลงทรมาแต่ก่อนได้ต้องละด้วยทางภาวนาเพากิกจิตให้สงบไพลระงับให้ตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันไม่สงใจไปในอดีตอนาคตอย่างนี้นะ ก็จึงสามารถที่จะละบาปอากุศลต่งตางๆได้สมาฮิโตยา่าปูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะเราก็ถือปฏิบัติตามหลักนี้แหละถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นนะัเรา้องพยายามให้มันตั้งมั่นลงให้ได้ อย่าพึ่งพิจารณาอะไรก่อนเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปมีสติควบคุมความรู้สึกอ น, นันตเข้าไปให้มันกระชับเข้าไปเรื่อยๆไปแล้วนันนี้มันจะค่อยหยุดงลงหละความคิดความนึกต่างๆนั้นน ะ, ะเบงั้นถ้าหากว่าเราไม่เพ่งสติเข้าไปใกล้คิดกับจิตแล้ว ควบคุมจิตไม่ได้แน่นอนเลยสมัยใดถ้าหากว่าเพ่งระลึกสตินี่เข้าไปถึงความรู้สึกอันนั้นได้จนรู้ได้ว่าเออนี่ความรู้อันใดสติก็อันนั้นหรือว่าจิตอันใดสติก็อันนั้นสติอันใดกดจิตอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนรู้ชัดในใจอย่างนี้นะ แล้วแน่นอนในขนาดนั้นใจต้องสงบแน่ใจต้องรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายอย่าพากันนิ่งนอนใจอย่าว่าเราไม่มีบาปถ้าอยากรู้จักบาปต้องภาวนาอย่างที่ว่านั่นแหละเอาอธิษฐานถึงคุณประพุทธพระธรรมประสงเข้าไปแล้วกัน เอาเป็นที่พึ่งกันนั่งสมาธิเอาขาขวาทับเข่าขาไายมือขวาทับมือไายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่แล้วก็อธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนกรายเอาเป็นที่พึ่งดังกล่าวมานั้นแล้วก็ขออำนาจคุณพระรัตนกรายนี้จงเป็นพระกำลังให้ข้าพเจ้าทาใจให้สงบระงับเป็นสมาธิลงไป อืมแล้วขอให้พราพเจ้ามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไปนั้นอืมเมื่ออธิษฐานจิตอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติเพ่งความรู้นั้นแหละต่อไปวันนี้นะเพ่งความรู้อันนั้นอยู่อย่างนั้นเมื่อเมื่อสติมันควบคุมความรู้ได้แล้ววันนี้ก็ หายใจเข้ากำหนดละบาปประทำที่มันหมกหมมอยู่ในจิตใจนี่หายใจออกก็อธิษฐานละบาปประทำกรรมอนชั่วเหล่านั้นหายใจเข้าก็อัดกำหนดละความชั่วต่างๆที่ยังตกค้างอยู่ในจิตใจเราทำความเพียรอย่างนี้แหละกำหนดใจละ เลื่อยไปอยู่เนี่ยเมื่อใจของเราไม่ส่งเสริมบาปไม่ยึดเอามันเนี่ยอธิษฐานใจละมันอยู่นั่นแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงแบบ น, นี้นะเอาไปเอา ม, ามันก็ดับไปเท่านั้นเองเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แล้วว่ะทำทั้งหลายที่เป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจนี่นะให้ถือเอานี้เป็นหลักผู้ปฏิบัติธรรมนะถือเอาพุทธภาสิ น, นี้เป็นหลักก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราฝึกจิตนี้ให้เข้มแข็งแล้วจิตนี้มีอำนาจแล้วจิตก็เป็นใหญ่ในบุญในบาปสิบานี้เราก็เลือกเอาได้ตามประสงค์นะ เ, เมื่อเราไม่ชอบบาปเราก็กาหนดละมันทิ้งไปอย่างนี้แหละเมื่อใจเราเข้มแข็งมีกลาลังแล้ว เมื่อเราชอบบุญเราก็กําหนดบุญไว้ในใจอืกําหนดอย่างไรกําหนดบุญนะ่ะกําหนดใจให้ตั้งมันม่นไม่หวั่นไหวต่อความชั่วทัดไลยต่างๆไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่างๆนี่นะนี่แหละเพราะว่าบุญมันไม่มีตัวมีตนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็ ร, รักษาใจดวงเดียวนี่นะ ให้ดีให้ตั้งมัน่นไม่วันไว้แล้วก่อนนั่นแหละบุญนะบุญมันรวมกำลังลงไปสู่จิตนั้นแนี่ยจิตมันจึงได้ตั้งมัน่นจิตมันจึงมีกำลังไม่ไม่ยอมปล่อยให้บาปอากุศลมาครอบงมจิตไดไ้หายใจเข้ากำหนดละบาปหายใจออกกำหนดละบาปเลื่อยไปอย่างนี้น ะ, ะมันจะตั้งมั่นอยู่ได้อย่างไงบาปนะ นี่แหละมันก็ยอมระงับดับไปแต่ถ้ามันมีบาปหลายมันก็ต้องเพียรพยายามไปนานหน่อยแหละมันเป็นอย่างนั้นอา้าวแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าบาปมันดับไปก็รู้ได้อย่างที่พูดให้ฟังนั่นแหละ ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าเราผูกโกรธไว้กับคนใดคนหนึ่งอย่างนี้นะในใจนั่นนะเมื่อนึกถึงคนนั้นมาใจขุ่นขึ้นมาเลยอย่างนี้นะ นั่นเรียกว่าบาปมันเกิดขึ้นในใจอ่ะทีนี้เมื่อเราเห็นว่าเอ๊ะอารมณ์อย่างนี้ความคิดอย่างนี้มันเป็นบาปนี้เราจะไปยึดถือน้วยทําทไมอา้าวเราต้องให้อาโหสิกรรมเข้าไปสนะักคนที่ตนเกลียดตนชงตังต่างๆคนนั้นนะเราขอเราขออาโหสิกรรมให้เลยไม่ต้องไม่เป็นกรรมเป็นวรผูกพันกันไปแหละอย่างนี้นะแล้วเราก็กําหนดละอารมณ์ น, นั้นนะ่ง อารมณ์อันเกลียดชังคนอื่นสัตว์ อ, อื่นนั่นแหะเมื่ออารมณ์นนั้นมันดับลงไปอย่างนี้จิตเราก็รวมลงเป็นหนึ่งเยือกเย็นสบายขึ้นมาแทนความเร่าร้อนอันนั้นน่ะนั่นแหละบุญกุศลมันเกิดขึ้นในใจนี่เราก็รู้ได้อย่างนี้แหละรู้ได้ในขณะที่เราละกิเลสป่ากระทำอันนั้นมันระงับลงไปจิตใจเบิกบานขึ้นมา นี่รู้ได้ว่าบุญเกิดขึ้นในใจแล้วกุศลเกิดขึ้นในใจในขณะที่มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาจิตปัญญาสอนใจตัวเองให้กำหนดละอารมณ์นนั้นได้ลงไปจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมานั่นเรียก ว, ว่ากุศลมันเกิดขึ้นในใจความฉลาดเนี่ยมันเกิดมีขึ้นในใจ มันถึงละอารมณ์หรือละความชั่วร้ายต่างๆได้ถ้าความฉลาดไม่มีในใจเราก็ละไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจทีนี้ความฉลาดมันจะมีได้ก็เพราะว่าทำใจนี่แหละให้มันสงบจากป่าประทรมต่างๆเหล่านั้นนี่นะเพราะว่าบาปมันก็มีเป็นขั้นเป็นขั้นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด อันยางงาบนั่นเรียกว่าเราละมันมาจากศีลแล้วไอ้ผู้มีศีลตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเคารพตอ่อศีลจริงๆอย่างนี้นะไอ้บาปส่วนหยาบอะไรมันก็ระ ง, งับไปแหละคือมันไม่ไม่ไม่ให้กล้าไปทําบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นต่อไปนี่เรียกว่าบาปอย่างงาบอันจะพาไปสู่นรกอบายภูมิ นั่นมันดับลงไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ยังบาปยังกลางการที่เราภาวนาลงไปไอ้ความพอใจหรือความไม่พอใจมันเกิดขึ้นมานี่นะความพอใจในรูปเสียงสิ่นลดเครื่องสัมผัสบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมาวิตกวิจารไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใครน่าพอใจ ออต่างๆอย่างนี้ระวังทีก็อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นมาก็วิตกวิจารไปแต่ไม่ถึงกับว่าได้ไปทําร้ายผู้อื่นอ่ไม่ถึงกับว่าได้ไปสแสวงหาสิ่งที่รักที่ชอบใจนั่นนันเพียงแต่วิตกอยู่ในใจเฉยๆอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นอกุศลวิตกส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนกลางอันนี้นะ่ะอย่างนี้แหละ วันนี้อ้าวนั่งภาวนาอยู่แล้วมันง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาอันนี้นะมันก็เป็นบาปอากุศลส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนกลางอย่าไปว่ามันง่วงธรรมดานะอืมดังนั้นแล้พระพุทธเจ้ายังสอนให้กําจัดมันนั่นแหละเอาการปล่อยจิตให้คิดพุ่งสั้นเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรพวกนี้มันก็เป็นบาปอากุศลเหมือนกันนะ แต่ก็อย่างว่านะั่นแหลมันคิดนะแต่มันไม่ลงมือทำหรอกไม่ถึงกับลงมือทําแต่ทําจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเศร้ามองไปด้วยอารมณ์กิปาทะที่จิตมันคิดมันพุ่งมันแต่งขึ้นมา น, ะนั่นแหละมันก็เป็นบาปขึ้นมาแต่เป็นบาปอย่างกลางไม่ใช่อย่างงาบความสงสัยลังเลในใจิตใจอย่างนี้นะเอ่า เออเราทำบุญนี่จะได้บุญหรือไม่หนอ้องอย่างงี้นะเราทำบาปอย่างนี้ท่านว่าเป็นบาปจะเป็นจริงหรือไม่หนอไม่ค่อยเชื่อคำสองพระทีเจ้าเท่าไรนักยังสงสั ย, ยอยู่เพราะมันไม่เห็นแจ้งโดยใจเขาตนเองอเช่นนี้นี่ได้แก่ความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษมันก็เป็นบาปโซนกลางอย่างกลางแล้อ ดังนั้นเมื่อความสงสัยเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วอย่าไปยึดถือเอาไว้อย่าไปเก็บมันไว้อารมณ์เช่นนั้นต้องหาทางแก้ไขมันจนได้จนหายสงสัยถ้าตนไม่สามารถจะชี้แจงให้ตนฟังจนหายสงสัยได้ตนก็จำเอาเรื่องราวที่ตนสงสัยเนะี่ยไปถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจะได้ชี้แจงอธิบายให้ฟัง จนหายข้อข้องใจในเรื่องนั้ น, น, นได้เมื่อเป็นเช่นนี้บาปยางกลางอนนันคือความสงสัยมันก็ลังับลงไปได้เป็นอย่างนี้นะนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้ละบาปนันน ะ, ะมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้บาปยางงาบนี่แหละสำคัญมากทีเดียวนะขอให้พากันพยายามพิจารณาให้มันเห็น โทษของบาปกรรมอันหยาบท้าลามกที่จะพาไปตกนรกอบายกูมนี่ต้องใส่ใจให้มากชาพุทธทั้งหลายนะอย่าไปลืมอย่าไปปล่อยปาล่าเลยตนเองให้บาปมันสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในจิตใจนั่นโดยตนเองไม่ได้พพ่งพิจารณาดูจิตใจเลยว่ามันมีบาปอะไรบ้างหออมกมุ่นอยู่ในจิตใจนี่ ก็เมื่อตนไม่ภาวนะไม่เพ่งดูจิตบาปกรรมมันก็ไปหมักหมมอยู่ในหัวใจนั้นมากมายเลยเช่นนี้เมื่อตายไปแล้วมันจะไปไหนบ้างนี้นะก็บาปกรรมเป็นใหญ่แล้วพาไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่นรกเป็นต้นท่านะแม้่ํทำบุญก็ทำลอยๆไปอย่างนั้นแล้วบุญก็เข้าไปถึงจิตใจไม่ได้เพราะบาปมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจแล้ว บาบุญเข้าไปตั้งอยู่ในใจชั่วคู่ชั่วขนาดเท่านั้นเลยแล้วบาบังก็ผักดันเนี่ยบุญหายไปอ่อย่างงี้นะดังนั้นเราผู้นับถือบุรุศาสนานะ่ะเราได้สละเข้าของเงินทองออกให้เป็นทานบูชาพระบุรุษศาสนามาหนี่มากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าให้บุญที่เราทํานี่นมันเสื่อมไปให้พยายามภาวนาะกําจัดบาปธรรมกรรมชั่วออกจากจิตใจให้ได้ แล้วให้เมื่อเมื่อบาปกรรมมันระ ง, งับไปแล้วบุญที่ทำมานมันก็โผล่ขึ้นมาทำใจให้สงบระ ง, งับเบิกบานมีสติปัญญารู้จักท่อช่องทางออกจากทุกข์ภายในเวตทรสงสารได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้